พระธรรมเทศนาแผ่นที่72ลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าหลวงตามาวัดเราวันนี้เป็นวันที่29 มกราคมพุทธศักราช2558วันนี้พวกเราเตรียมพร้อมวันพรุนี้เป็นวันครบรอบวันมรณะภาพกอองหลวงตาเป็นวันที่โรวงตาจุตินิทพานเป็นวันที่30ครบรอบ4ปีพอดีวันพรุนี้ เพราะนั้นพวกเราผู้ที่จะเดินทางไปกราบคารวะองค์หลวงตาวันครบรอบสปีก็เตรียมพร้อมแต่สําสหรับหลวงพ่อเองก็คงจะออกเดินทางจะดูซะก่อนความเหมาะสมอย่างไรหลวงพ่อก็คงจะเดินทางเข้าไปเคารพคารวะพร้อมกับครูบาอาจารย์ศิษยาณุศิษย์ขององค์หลวงตาทุกหมู่เหล่า แล้วก็เรื่องการสร้างพระเจดียด์ก็คงจะดำเนินไปเรื่อยๆอันนี้เป็นปีที่สี่แล้วนะคณะักศรัทธาญาติโยมโลูกหลานแต่หลวงพ่อเองก็ได้มีหนังสือศรัทธาญาติโยมทั้งกลุ่มของเราได้พิมพ์หนังสือธรรมเทศนาขององค์หลวงตาตั้งชื่อว่าพระธรรมเทศนาล่วงล่วงทุกได้ ด้วยความเพียรโดยโลงตามหาบุญะสัมปันโนพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเป็นครูสอนโลก ป, ปรากฏว่าได้ทรงพยายามฝึกตบฝึกฝนทรมานพระองค์มาจนเต็มที่บางครั้งถึงกับสลบสลายหมดความรู้สึกในพระองค์ก็มีซึ่งไม่เคยมีประวัติ ของพระสาวกหรือใครๆจะสามารถกระทำได้เหมือนอย่างพระองค์และทรงทำอย่างนั้นมาโดยไม่ได้ลดละความพยายาม เ, เป็นเวลาถึงหกปีจึงได้ตัดสู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะนั้นหนังสือเล่มนี้จะแจกส่วนหนึ่งก็คงจะเอาไปแจกในวัน พุ่งนี้แต่ว่าจะแจกได้มากน้อยอย่างไรแค่ไหนอันนั้นยังค่อยๆดูกันเดี น, นี้เอาไปฝากลงที่บ้านผอ อ, ออนันต์ไว้ส่วนหนึ่งแต่หนังสือชุดนี้เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์เป็นธรรมทานโดยมูลนิธิวิรยณศิลวันที่วัดป่านาคำน้อยแล้วก็จำนวนห้าพันเล่ม หนังสือเล่มจำนวนนี้พิมพ์ไม่มากนะจำนวนห้าพันเล่มพิมพ์ที่ศิลปสยามพึ่งส่งวันนี้หมาดมาเลยส่งวันนี้เพราะนั้นวันนี้เมื่อฉันจังหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะได้แจกเป็นประเดิมเอาไปอ่านดูนะแล้วก็มีธรรมเทศนาที่องค์หลวงตา ม, มาที่วัดป่านาคําน้อยของเราท่านได้เทศนาอะไรไปบ้าง พวกเราพวกเราก็คงจะเอานั่นถอดที่ท่านแสดงอยู่ที่วัดของเราเนี่ยก็คงจะออกไปเป็นระยะระยะเหมือนกันอันไหนที่ควรจะออกได้นะ <c oughs> ที่ท่านมาหลายครั้งตลายหนหลายปีพอมาองหลวงตาพอมาออกมาถึงวัดเรา ก่อนที่ท่านจะมาถึงวัดเราท่านก็เตรียมพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกน้ำมันพืชพวกขนมปังมาส่งโรงพยาบาลนายูงด้วยแล้วก็แบ่งลงที่วัดของเรามีทั้ง ไ, ไก่ยงไก่ย่างบางที่เห็นหลงตาแล้ว อ, อย่างประทับใจอย่างท่านสงเคราะห์อนุเคราะห์สิทยิอนุสิทธ ไม่ใหมันท่านไม่ให้แต่ท ร, รมะอย่างเดียวอามิตรท่านก็ให้บางทีท่านมาถึงบ้านผือเนี่ยเขาขายไก่ย่างแถบหน้าโรงพยาบาลท่านท่านกับนอเนอี่ยนั่นก็ให้พวกโซโฟเฟอร์พวกที่เกี่ยวข้องที่มารถกับท่านสองสามคนสั่งของเขามาอ่า เด็กน้อยออกไปไกลๆอยาามาใกล้ไปเสียงรบกวนว่าลูกหลาน่นออกไปไกลๆเพราะนะ <c oughs> แล้วก็ท่านก็สั่งซื้อให้คนเอาซื้อมาแล้วก็แบ่งให้โรงพยาบาลนายุงแล้วก็ม า, มาแบ่งไว้ที่วัด พวกเราคิดดูใชไไก่ย่างร้อนๆนะ่ะปี่งมาสดๆหมัดๆแล้วก็สมาส่ในรถตูนะ้รถตู้ติดแอร์อีกต่างหากพอลงมานะพอลงตาเดินลงมานะเราได้กินหลวงตาเนะี่ยเป็นไก่ย่างทั้งหมดเลยหนะลูกลานเลยฟังๆดูใชอหลวงพ่อสังเกตถึงขนาดนั้นนะลุงตาก็นอนอยู่ที่ทั้ง กลางรถก็ใส่ไก่ย่างอยู่ทางท้ายรถพอหลงตาลงมาท่า น, นถูกกลิ่นไก่ย่างคุ้งไปหมดในรถจังติดในผ้าของท่านอีกต่างหากเดินลงมา เ, เสร็จแล้วยังมาเห็นหมดแดงที่หลังศาลาอีกออหลังมดแดงมันเดินเป็นสาย ลงตาอ ย, ย่างนกอเอ า, าเอา ไ, อาไก่ ย, ย่างมาท่านก็เอามาแล้วก็ท่านก็บีบ้บี้บี้เล็กๆในน้อยเป็นนั่นแหละท่านก็แจกให้พวกพดแดงอพดแดงก็ลุ้มเอาเงนินเลยเหมือนกับอาหารทิพเกิดกับพวกเราแล้วลักษณะอย่างนั้นะท่านเห็นหหท่านก็หัวเราะท่านเห็นพวกมดแดงกินพวกไก่ ย, ย่างที่ท่าน ถือมาทัานท่านบีบบีบบีบไปเลยแจกแจกให้นกมดแดงก็ห้ามกันละทีเลยไปใส่ลังตัวเองลงตาเห็นหนึ่งลงตาก็ว่าเลาะจากนั้นท่านก็มาพูดมาลอยฟังเห็นมาน่ะอ า, อาหารการบริโภคเอาไปที่ไหนขนาดสัตว์ที่รชันมันก็ยังพออกพอใจอที่มันได้รับาจากคู่คน สรุปแล้วก็คือท่านสอนพวกเราท่านทั้งหลายให้มีเมตตาไปนะัสถานที่ใดเห็นอะไรพอที่จะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ได้ท่านก็สงเคราะห์นี่หละจากนั้นพอมาถึงเสร็จแล้วท่านกนะ็นขึ้นมาก็เราก็เตรียมอาสนะที่พักผ่าอาศัย ท, ที่ท่านจะพักตาว่าท่านพักผ่อนมาแล้ว ท่านก็นั่งอยู่ในระดับหนึ่งท่านก็มานั่งเขี้ยวหมากชั้นหมากซะก่อนอคุยโอภาปาใสเล็กน้อยเป็นยังไงมาอย่างไงพระเนนมีเท่าไร เ, เป็นยังไงนกเป็ดมีไหมในวัดพวกหมูปาเป็นยังไงท่านก็ถามสารถุสุกดิบพอเสร็จแล้วท่านก็ อ, เ, อเราจะพักนะนะที่นี่นะนะนะนะนะ ท่านก่อเอ็นกายพอเอ็นกายเสร็จแล้วก็พวกเราก็ลุมกันแหะต่เนี่ยนวดองค์ท่านนวดถวายองค์ท่านออพอถวยายองคอบางองค์ก็ขยําผิดขยําถูกเพราะไม่เคยนวดเส้นก็มีพระใหม่พระมาจากกรุงเทพก็มอีองค์ที่เคยนวดก็ประจําอประจําตรงไหนก็เป็น จัดเป็นองค์องค์ไปเราก็ให้องค์ไหนที่ควรจะเข้าข้างไหนหนวดถวายท่านท่านก็นอนพักผ่อนเราก็นวดบางทีก็นานพอสมควรนะเกือบเป็นชั่วโมงก็มีบางทีก็3 4ม5 40นาทีก็มีสุดแท้แต่ท่านมีเวลามากมีเวลาน้อยพอเสร็จแล้วนะ่ยบางทีท่านก็ขณะที่ท่านกําลังนวดเองท่านก็คุยถาม พระเนตรมีเท่าไรมีอะไรบ้างตินฟ้าอากาศเป็นยังไงท่านก็ถามถามไถ่ใายลักษณะเป็นกันเองแต่พออยู่ในวัดของท่านท่านจะไม่พูดอย่างนี้นะท่านจะไม่พูดกับใครๆง่ายๆแต่พอท่านออกนอกวัดมาแล้วท่านก็ถือว่าพวกลูกหลานที่มาใหม่ที่เขามาใกล้เ ท่านก็ถือวิสาสสะให้ความเมตตาแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในวัดของท่านนั้นก็ระวังท่านช่วยแต่พอมาออกมาข้างนอกเนี่ยท่านก็ให้ความอนุเคราะห์ด้วยความเมตตากับพวกเราหลวงพ่อรู้พหลวงพ่อเคยอยู่กับท่านมานมนานเนี่ยสังเกตอะไรกับกิริยาของท่านทุกระดับแต่หลวงพ่อหน้าเสียดาย หน้าเจดายคือเวลาท่านแสดงธรรมแสดงธรรมมาที่วัดเราพอท่านเทศหลวงพ่อเนี่ยไม่กล้าเอาเอ า, เอาไม้หรือเอาเครื่องอัดเทปเน่ไปไ ว, ไว้ใกล้ๆท่านเนะพราะเหตไพรากลัวท่านสมัยหลวงพ่ออยู่กับท่านที่วัดป่าบ้านตาดสองพั 2, นหะ้าร้อยสิบสองถึง2อ2พน่ะรย้า ไม่มีองค์ไหนที่จะเอา MP3 สมหรือเอาเทบเขาไปวางไว้ไกลๆท่านอาพอท่านเหลือเผนท่านน่ะท่านบอกออกมาทำไมามาอัดทำไมไปเอาไปเราก็กลัวเสียบรรยากาศเสียความรู้สึกนะเพราะเราเป็นเจ้าของเอจ้าของบ้านนะถ้าท่านดุอย่างนั้นเข้ามาเราก็ไม่สบายใจเพราะเหตุไรเพราะท่านมาวัดเราเรามารบกวนท่านนะ เออท่านให้ท่านทำให้ท่านไม่สบายไม่สบายใจไม่สบายความรู้สึกจิตจุดนี้แหละเราก็พยายามระวังเพราะนั้นถ้าคิดดูย้อนลราก็น่าเสียดายเพราะอลายเพราะท่านมาสมัยเมื่อท่านยังหนุ่มะท่านจะอธิบายธรรมะอะไรให้ฟังอย่างลึกซึ้งแต่บางทีเราก็ไม่ได้อัดเออบางทีก็กลัวท่านเนี่ยความกลัวคํานี้แหละเออบางทีก็อัดทางห่าง แต่อัดห่างๆก็ยังดีอยู่เสียงก็ยังเข้าอยู่ถึงเสียงจะไม่ชัดเจนเราก็ยังมาถอดเป็นภาษาได้แต่ก็รอก็่าพยายามอัดนะพออัดเสร็จแล้วเนี่ยก็มีพระบางองค์ท่านก็มาถอดเป็นเป็นธรรมเทศนาของหลวงตาเอาไว้ก็มีอยู่แต่ไม่ได้ทุกครั้งที่ท่านแสดงธรรมก็น่าเสียดายเสียดายจุดที่ว่า เรากลัวท่านเกินไปแต่เราก็ไม่กล้าเสียงฮะถ้าเสียงเข้าไปถ้าเสียงโป้งป้างเข้ามาเนี่ยวัดนี้เราจะไม่มาเย็บหรือทำไมยุ่งนักเราก็กลัวอย่างนั้นอีกเหมือนกันฮะ เ, เพราะนั้นเราก็เล ย, เยกล้ากลัวๆพอมาช่วงหลังๆเนี่ยท่านปล่อ ย, อยไปที่ไหนท่านก็เปิดให้ใครๆอัดเทปท่านก็พูดทไปที่ไหนท่านก็อัดเสียงของท่าน เราเืยังได้กล้าขึ้นมาล้วก็ได้อัดเสียงโค้งสุดท้ายเที่ท่านอายุมากแล้วแต่ว่าช่วงก่อนที่ท่านมาใหม่ๆน่าเสียดายน่าเสียดายธรรมเทศนาขององค์หลวงตาในชุดนั้นนะแต่ทีอยังไงเราก็ยังมีอยู่ MP สตัวเทปที่เราอาัดไว้เพราะนั้นคราวนี้ก็ได้ยินว่าคณ ะ, ะในช่าง ก็ได้เอาลงธรรมเทศนาลงไปสองกันมั้งอ่าที่จะ ท, ท, ทยอยทรงลงไปสองการพระธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยเป็นหมื่นๆกันนะคณะาจายญาติโยมนะไม่ใช่น้อยนะเอเดี๋ยวนี้ของเราก็ได้อัดมาเตรียมไว้นี่ยกำลังจะทำหอธรรมเนี่ยขนาดเฟซบุ๊กไอ้ขนาดฮัทฮัด้อะไรเอ่ อันนี้ก็มีตั้งส0สี่สิบกว่าก้อนนะ อ, อ, อะไรเป็นพันไมก์กระไบอะไรลักษณะนั้นหลวงพ่อไปจำภาษาเหมืนนั้นเลาโะภาษาหลวงพ่อเกิดก่อน เ, อเครื่องเหล่านี้เกิดนะเพราะนั้นหลวงพ่อก็เลยเป็นคนรุ่นเก่ า, าลูกหลานพูดให้ฟังหลวงพ่อพูดผิดพู ด, พดถูกแต่พวกเราก็คงคนรุ่นใหม่คงจะตีความหมายได้วันเนี้ย เออที่จะอัดเทปองหลวงตาเนี่ยเป็นพันๆกันเลยทำยังไงเนี่ยนี่แหละจุดนี้แหละเพราะว่าเทศสนาของหลวงปานเป็นหมื่นเป็นมืนกันมีทั้งไฟภาพทั้งไฟเสียงแล้วก็มีแต่ไฟเสียงอย่างเดียวก็มีแต่ที่อย่างก็ยังอัดไม่หมดยังเป็นกันๆอยู่เนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจะพยายามรวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตาอยากจะให้มันเป็นหนังสือด้วย เป็นไฟเสียงด้วยไฟนงเป็นตัวหนังสือด้วยนะจะพยายามพยายามทำให้ให้นานนะแต่คราวนี้ก่อนนะวิริยะณศนะีลวันพิมพ์หนังสือจำนวน 5,000 เล่มเล่มละ30กว่าบาทมาั้งนี่แหละจะจะพยายามทยอยพิมพ์เป็นธรรมเทศนาของหลวงตากันไหนที่ยังไม่ได้พิมพ์นะ การไหนที่ยังไม่ได้พิมพ์เราก็ดูถ้าว่าการไหนพิมพ์แล้วแต่ว่าเออฟังดูแล้วมีเนื้อหาสาร ะ, ะสําหรับนําไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะได้ถึงจะพิมพ์ไปแล้วแต่มันห่างเราก็จะพยายามเอามาพิมพ์อีกพอเพระเหตุการนั้นมีสาระมีประโยชน์สําหรับ พวกเราจะได้รับการศึกษาแต่ถ้าว่ากันไหนฟังแล้วก็ใกล้ๆเคลียงกันใกล้เกเคลียงกันเราก็จะไม่เอามาแต่ว่ากันไหนโดดเด่นแล้วก็กันไหนที่ยังไม่เคยพิมพ์เราก็จะเอากันนั้นออกมาพิมพ์ทยอยพิมพ์ออกมาเรื่อยๆในความรู้สึกในความตั้งใจนี่แหละอันนี้ก็คือที่องค์หลวงตามาที่วัดของเราจากนั้นท่านก็คุดลุกขึ้นมากับมานั่ง ฉันหมากไปด้วยท่านก็เทศศาสนาว่าการจากนั้นอเออได้เวลาแล้วก็ เ, เราจะกลับแล้นะพวกเราก็ก ล, บลาบคารวะท่านบางครั้งท่านก็สงน้ำสักก่อนนะอพอมาถึงเออเราจะสงน้ำสักก่อนนะอาบางทีแล้วก็ได้สงน้ําพระเนในส่งน้ําถวายท่านาตะก่อนที่ท่านมาตุนท่านยังหนุ่มอยูนะ่พอท่านช่วงโค้งหลังๆในท่านจะไม่สงน้ําแล้ว ท่านหนาวท่านหนาวท่านจะไม่ส่งแต่เรามาร้อนนะแต่ท่านหนาวท่านบอกว่าไม่เอาแล้วน้ำเราทุกวันเนี่ยเราเช็ดตัวเพียงแต่เช็ดตัวเนี่ยอันนี้คือบางครั้งท่านมาถึงวันโปรงผมเราก็ยังได้ถวายโปรงผมไปถวายท่านอีกก็มีอ่านี่แหละอันนี้คือองค์หลวงตาที่มาวัดของพวกเราสมัยนั้น เราแสดงธรรมเทศนาเรื่องธรรมเทศนาเนี่ยสำคัญ ừ, ท่านบางทีท่านก็พูดเด็ดเดียวบางทีบางครั้งเราก็ไม่เคยได้ยินอีกแต่เราก็ได้ยินธรรมเทศนาในคราวนี้ครั้งนี้ที่ท่านมาวัดของเราเพราะนั้นในเทปในเทปในเอ็มพีสามในหนังสือเล่มนี้นะ ที่จะแจกในวันนี้เป็นประเดิมให้พวกเราอ่านดูนะอ่านดูที่พวกคณะใดช่างพวกท่านรัตนะนะออกมาพิมพ์ธรรมเทศนาของหลวงตาต่อไปก็คงจะเป็นละลอกละลอกนะคงจะมีมากคงคงจะทำไม่เล่มไม่ใหญ่จะทําเล่มขนาดนี้แหละพกพา ง, ง่ายถือไปง่ายแล้วก็หยิบช่วงไหนว่างๆก็หยิบขึ้นมาก็อ่านเพื่อการศึกษา ควรเราคนเราเนี่ยจะศึกษาจ ะ, ะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยการศึกษาการเรียนรู้อย่างที่หลวงพ่อได้พูดสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟังกินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้เห็นได้อ่านได้ศึกษามาแล้วนะั้นทบทวนมีเหตุผลไหมเอเอบางคนก็ตรนัดในการฟัง เปิดเทปฟังเนี่ย เ, เข้าใจได้ยินเสียงท่านเน้นหนักว่ากระแทกเสียงบ้างอ อ, อย่างนี้เข้าใจเข้าใจลึกแต่บางคนบอกว่าสู้อ่านไม่ได้ออถ้าอ่านเข้าไปยังไม่เข้าใจกลับมาอ่านอีกพออ่า น, ผ, านผ่านไปแล้วกลับมาอ่านอีกในช่วงนั้น อ, อ่อานคราวนี้ได้ความรู้อย่างหนึ่งอ่านครั้งต่อไปได้ความรู้อีกกว้างขวางขึ้นไปอีกนี่ผมว่าอ่านดีกว่านะ สรุปแล้วก็คือการศึกษาของพวกเราเนี่ยบางคนก็อ่านามีประโยชน์บางคนก็ฟังมีประโยชน์าสาหรับคนคนนั้นไม่ทั่วไปนะแต่บางคนก็ทั้งอ่านทั้งฟังด้วยอ่านก็เท่ากันได้ฟังก็เข้าใจเท่ากันผมผมเข้าใจได้ทั้งสองอย่างอย่างนั้นก็มีนะเพราะนั้นอันนี้ว่าสุดธรรมยปัญญา กินตามยปัญญากินจินตนาการคือการ ท, ทบทวนไข้คุณทบทวนจินตามมยปัญญาแล้วก็ภาวนามายปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นหนึ่งเช่นก่อนอันนี้คือเรื่องกรรมฐานเรื่องพระพุทธศาสนาในสรุปแล้วก็คืออาศัยการได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้าจึงยกเป็นพุทธภาษิตว่า ส, สุสังละัสะเตปัญยญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญานะถ้าเราฟังแต่จบ้จา่าฟังกัลก ะ, ะเ ล, กะวะลเวกัวราดฟังอันไหนก็เหมือนกับฟังเหมือนหมอร้องหมอรำพระจิตใจของเราล้วนเละจิตใจของเราไม่มีหลักจิตใจของเราไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะถึงจะฟังไปยังไงกับมันหูก็ะทะหูก็ หูก็เช่าหูหมอขางฮะเออไม่ใช่หูสติไม่ใช่หูปัญญาเนเออเป็นหูหมูหูหมาหูช้างไปอย่างนั้นหละเออมันก็มีหูเหมือนกันแต่มันฟังแล้วมันไม่ได้สติไม่ได้ไม่ได้ปัญญาอะไรถ้าหูปลาดนะหูนักปลาดหูบัณฑิตนะได้ยินเสียงอะไรมาก็ฟังฟังแล้วก็แยกแยะเออก็สูสู้สังรัตเตปัญญ์ผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา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 สิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังได้ฟังอัดฟังธรรมได้ฟังหลักเหตุผลจิตใจของคนคนนั้นก็จะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสในการได้ยินได้ฟังนี่แหละสรุปแล้วก็คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไม่ว่าวิชาอาชีพไหนก็เถอะ เออไม่ใช่ว่าเดินผ่านโรงเรียนก็จะรู้ได้ทั้งหมดเดินผ่าน <c oughs> มหาวิทยาลัยเราก็จะรู้ได้ทั้งหมด อ, อพอเดินผ่านวัดเท่านั้นแ่ะเอ อ, เ, อ, อเรารู้แล้วล่ะเขาสอนอะไรเรื่องอะไรเราเดินผ่านวัดแล้วฮ อ, อถ้าจะเก่งขนาดนั้นเออมันจะเป็นไปได้เลยนอกจากโง่เท่านะั้นถึงจะพูดอย่างนั้นนะ อถ้าโง่นาะพูดได้ถ้าฉลาดนาะพูดไม่ได้มันต้องศึกษาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าต้องอาศัยการได้ฟังการศึกษ า, ก า, ก, ษาการเรียนรู้นะเท่านั้นยังไม่พออีกลงมือปฏิบัติอีกต่างหากลงมือปฏิบัติอย่างพระพุทธเจ้าถามเนะ่ยดูก่อนสรีบุตรเชื่อไหมที่เราตถาคตพูดไปเนี่ย อพระพุทธภาษาริบุตรอยู่อย่างก่อนพระเจ้าค่ะเพราะข่าพระองค์ยังไม่ได้นําไปปฏิบัตินะใกล้ข้าว่าฟังเข้ามานะ่เอาวิธีดำวิธีดํานาทํำอย่างนี้นะเวลาหวานพืชหวานอย่างนี้นะเออเวลาหวานพืชจะไปยากอะไรมีเม็ดข้าวมันก็หวานเข้าไปเลยในปา่าในดง เ, ออเดี๋ยวมันก็งอกเงยขึ้นมาเ อ, อพเอในเราก็อื้ อ, อ ได้พอเอาไปหวานเข้าจริงๆมันได้ผลไหมเออเพราะเราไม่ได้นําไปปฏิบัติในเมื่อเรานำไปปฏิบัติแล้วแปลว่าโอ้ข่าพระองค์ไปหวานดูแล้วหวานเม็ดเมล็ดข้าวเข้าไปในป่าเนี่ยไม่ได้ผลไปเจ้าข่าเนะ่เออก็จะต้องมากราบทูลทางวาหวานได้ผลก็จะมากราบทูลเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราได้ยินอะไรมาก็ตามไม่ใช่ว่าจะเชื่อหมดทุกอย่างนะไม่ใช่นะ เออบางทีมบางเรื่องบางเรื่องบางราก็เป็นนิทานโกหกก็มีนะอย่างหลวงพ่อสมัยเป็นเด็กนะผู้ใหญ่เขาบอกว่าเออจะไปไล่จับแก้งจับกระจงนะไปยากอะไรปิดปายปลายเท้ามันแหลมนะเท้ามเท้าก็มันเห็นไหมมันเล่มแหลมนะเออขาเรียวๆนะเวลาเราจะจับสัตว์พวกนี้นะใบไม้ยามไใบไม้ร่วงนะเดือนสามเดือนสี่นะ เดินกุมภามีนานใบไม้ร่วงมากๆานกะเราก็เข้าไปไล่เลยไปไล่แก้งไปไล่กระจงนะั่นอพอมันวิ่งมันแรงๆเอยขามันก็ไปเสียบใส่ใบไม้เสียบเสบเสียบเสียบพอในสุดมันเต็มโคนขาของมันก็ไปไม่ได้นะยลอยลุยเล ย, <laughs> เ, ยเขาจะจับเอาแต่นั่นแหละอนะเด็กน้อยทั้งหลายก็อ้าปากบอ่อโอ้ใช่เขาจับง่ายจริงๆจับกระจงจับแก้งนะี่ อพอพอใหญ่ขึ้นมาแล้วโอมันไม่เป็นอย่างที่ว่าใช่ไหยเออนี่ยแหละสิ่งไหนก็ตามนะ เ, เราได้ฟังมาแล้วเนี่ย เ, เราต้องมาดูซะก่อนปฏิบัติดูซะก่อนมาจริงมันเอพอไล่เก่งหนูดูที่มันไม่เสียบมันไม่เสียบใบไม้เข้าโคนขามาอย่างที่ว่าได้ที่เท่มันโดดยิ่งกว่าอะไรอีกเนี่ยเนี่ยนี่แหละสิ่งเราทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วน่ะ ต้องฟังฟังแล้วก็นำมาคิดการกรองไตรตองด้วยเหตุและผลแล้วก็นำดูอีกต่างหากว่ามันเป็นอย่างที่อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาไหมเนี่ยบางทีมันโกหกทั้งเพยก็มีนะขนาัทธาญาตโยมลูกหลานอย่างที่หลวงพ่อสมัยเป็นเด็กคนใหญ่เขาโกหกว่าเป็นไล่เก้งไล่กวางในป่าไปอยากอะไรไล่นานใบไม้ร่วงมันก็เสียบเสียบเสียบเสียบ เออมันเต็มโคลนขามเขาไปมันได้ลุยเลยรเนี่ยเราไปจับเอาเลยล้วจะทำยังไงมันเนี่ยแหละที่ไนได้มันไม่เป็นอย่างที่คนเขาโกหกเขาหลอกกันนะอ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พอนะัตตินะ